ผู้ฟังคะพูดถึงป่ากรุงชิงชื่อนี้อาจจะยังไม่มีผู้ที่รู้จักมากนะะักค่ะแต่ถ้าหากว่าเป็นชาวนาครศรีธรรมราชแล้วล่ะก็ป่าแห่งนี้ย่อมเป็นที่รู้จักกันดีโดยขึ้นชื่อลือชาเป็นอย่างยิ่งในเรื่องของความลี้ลับในอดีตนั้น แม้แต่เจ้าหน้าที่ทางราชการค่ะยังไม่กล้าที่จะเข้าไปก็เลยทำให้กลายเป็นป่าที่ตกสำรวจในช่วงระยะเวลาหนึ่งนะคะชื่อกรุงชิงนั้นมีมาจากต้นชิง ซึ่งเป็นต้นไม้ตระกูลปาล์มที่มีมากนะคะในแถบนั้นโดยพื้นที่โดยรอบของป่าจะเต็มไปด้วยหุบเหวแล้วก็น้ำตกเป็นจำนวนมากค่ะสร้างความงดงามตามธรรมชาติแถบนั้นเป็นอย่างยิ่งแต่ว่าในความสวยงามเหล่านั้นต่างแอบแฝงไปด้วยอันตรายอยู่ทุกฝีก้าว เรื่องราวของความน่ากลัวของป่าแห่งนี้อาจจะมีอยู่หลายอย่างก็จริงนะคะแต่ว่าเรื่องที่ผู้คนกล่าวขวัญมากที่สุดนั่นก็คือเรื่องของผีบังตาค่ะคือมีผู้คนที่ต้องเดินหลงทางในป่าจนตาย ไปแล้วก็มากเหมือนกันนะคะนอกจากนั้นในบางครั้งหากว่าเข้าไปล่าสัตว์ด้วยกันเป็นหมู่คณะนะคะวิญญาณเหล่านี้ก็จะพรางตาทําให้เห็นพวกเดียวกันเป็นสัตว์ป่าทําให้เกิดการยิงกันตายอยู่บ่อยครั้งชื่อของป่ากรุงชิงเป็นที่รู้จักกันมากขึ้นค่ะเมื่อถูกนําอ้างว่าเป็นที่อยู่ของช้างน้ําหรือวานรีกุชนชรนะคะซึ่งสัตว์ชนิดนี้เป็นสัตว์ที่มีอยู่ในป่าหิมพานโดยลักษณะของสัตว์ชนิดนี้จะมีขนาดเล็กกว่าช้างธรรมดา ขนาด 3-4 นิ้วเล็กกว่าฝ่ามือซะด้วยนะคะส่วนหัวจะมีงวงแล้วก็มีงาค่ะแล้วก็ขาหน้าสองขาเหมือนช้างทั่วไปแต่ว่าส่วนลำตัวนั้นจะมีครีบแล้วก็มีหางเหมือนปลา สัตว์ปลาหิมพันประเภทนี้มีความสามารถว่ายน้ำแล้วก็ดำน้ำได้เช่นเดียวกับปลาทั่วไปใช้ชีวิตส่วนใหญ่อยู่ในน้ำเราจรึงเรียกกันว่าช้างน้ำนะคะแม้ว่าช้างน้ำจะมีตัวขนาดเล็กแต่ว่าอิทธิฤทธิ์ของมันแม้แต่ช้างป่าที่กำลังตกมันยังต้องวิ่งหนีช้างน้ำนั้น มีงาพิษขนาดเล็กเป็นอาวุธนะคะเพียงแค่สัมผัสก็ถึงตายได้มีคำร่ำลือค่ะว่าหากผู้ใดที่มีโอกาสเข้าไปในป่าหิมพนันไม่ควรที่จะเดินลุยน้ำอย่างประมาทเพราะว่าอาจจะเหยียบโดนงาของช้างน้ำจนถึงแก่ชีวิตได้แม้ว่าช้างน้ำจะตายไปงานั้นก็จะยังคงอยู่แล้วก็ยังมีพิษร้ายแรงเช่นเดิมไปอีกนาน แต่ว่าช้างน้ำนั้นนะคะคุณผู้ฟังมีจุดอ่อนก็คือหากว่าถูกนำออกจากป่าหิมพานหรือว่าย้ายที่อยู่แบบผิดที่ผิดทางจากเดิม เพียงไม่กี่ชั่วโมงที่เราย้ายช้างหรือว่าอยู่ผิดที่ผิดทางนะคะก็ทำให้มันเสียชีวิตได้เรื่องราวการพบช้างน้ำในปากรุงชิงนั้นค่ะถูกถ่ายทอดออกมาจากปากของท่านขุนพันผู้สร้างจตุคามรามเทพจนเป็นที่รู้จักกันแม้ว่าท่านจะอยู่ในวัยชรามากแล้วแล้วก็มีปัญหาในเรื่องของการได้ยินแต่ว่าความจาและสติปัญญาของท่านยังคงเฉียบคมไม่ต่างจากอดีตมากค่ะ ท่านได้เล่าถึงเหตุการณ์ครั้งที่เดินทางเข้าไปในป่ากรุงชิงค่ะว่าในครั้งนั้นท่านกําลังติดตามคนร้ายมาอย่างกระชั้นชิดจนกระทั่งมาถึงป่าดงดิบแห่งนี้เพียงแค่ก้าวแรกที่เข้าไปก็รู้สึกได้ถึงความพิศวงความเร้นลับแล้วก็อาถรรพ์อยู่ทั่วทั้งผืนป่าชาวบ้านแถบนั้นจํานวนมากได้เปรียกว่ากรุงชิงแห่งนี้เป็นป่าหิมพาน์ที่อยู่ในตำนานเพราะมีชาวบ้านหลายคนพบสัตว์แปลกในป่าแห่งนี้อยู่บ่อย ผู้ที่เข้าไปในป่าแห่งนี้แล้วก็กลับออกมาได้อย่างปลอดภยัยต้องเป็นผู้ที่มีคาถาอาคมแกร่งกล้าแล้วก็มีบารมีมากเท่านั้นการเดินทางของขุนพันในครานั้นแม้ว่าท่านจะรู้ว่าป่าแห่งนี้เต็มไปด้วยอันตรายแต่ด้วยภาระและหน้าที่ที่ท่านมี ท่านจึงจำเป็นจะต้องเข้าไปในป่านอกจากนั้นท่านเองก็จัดว่าเป็นผู้หนึ่งที่มีอาคมกระงกล้าเหนือกว่าผู้ใดในยุคเดียวกันนะคะเมื่อท่านเข้าไปในป่ากรุงชิงท่านได้เล่าค่ะว่าท่านพบกับเต่ายักษ์ที่มีขนาดใหญ่มากคือสามารถให้คนเจดคนเนี่ยนั่งอยู่บนหลังได้สบายๆมีดอกไม้ยักษ์ที่มีขนาดใหญ่กว่าดอกไม้ธรรมดาถึง10เท่าและก็มีต้นบอนยักษ์ที่คนสามารถขึ้นไปยืนได้ นอกจากนั้นนะคะยังมีช้างน้ำที่มีขนาดเล็กมากแต่ว่าส่งเสียงร้องอย่างกับช้างตัวใหญ่แม้ว่าท่านจะเคยรู้เรื่องราวของช้างน้ำตามคำบอกเล่าหรือว่าจากหนังสือมาก่อนค่ะแต่ว่าการพบครั้งนั้นถือว่าเป็นครั้งแรกทำให้ท่านตื่นเต้นไม่ใช่น้อย เรื่องราวของช้างเล็กนั้นยังถูกเล่าขานกันอีกค่ะว่าได้ถูกพบบริเวณป่าแถบกาญจน บ, บุรีแล้วก็แถบทางภาคเหนือของไทยอยู่ระหว่างชายแดนประเทศไทยแล้วก็ชายแดนพม่านะคะโดยผู้ที่พบนั้นเป็นพรานป่าชาวกระเหี่ยงผู้ช่ำชองในการเดินป่าแถบนั้นมาช้านาน โดยพรานคนดังกล่าวนั้นค่ะเล่านะคะว่าหลังจากที่พบช้างน้ำตัวดังกล่าวก็ได้จับมันเอาไว้โดยท่าทางของมันในขณะนั้นดุร้ายเป็นอย่างมาก พวกเขาก็เลยจับตัวมันขังไว้ในกระมังที่มีฝาครอบไว้เพื่อไม่ให้มันกระโดดออกมาได้ไม่นานมันก็มีอาการแย่ลงเสื่อมซึมไม่ยอมกินอาหารสุดท้ายก็ตายลงพรานกะเรี่ยงเชื่อนะคะว่าสาเหตุน่าจะเกิดมาจากการที่มันไม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับที่อยู่ใหม่ได้นั่นเองค่ะ นอกจากนั้นยังมีคําเล่าลือว่าพระสงฆ์รูปหนึ่งนะคะได้เก็บรักษาซากช้างน้ําเชือกหนึ่งเอาไว้โดยที่มาของช้างน้ําเชือกนี้ท่านได้รับมาจากชาวกะเหรี่ยงที่อยู่ระหว่างชายแดนไทยพมา่าในระหว่างที่ท่านได้ออกทุดงโดยในขณะนั้นชาวกะเหรี่ยงคนดังกล่าวได้นํำซากช้างน้ําที่ตายแล้วตายได้เพียงแค่หนึ่งวันนะคะเอามาให้ท่านค่ะท่านก็เลยเก็บไว้ซึ่งก็ได้เล่านะคะว่าพบช้างน้ําตัวนี้ในหมู่บ้านโกเซนาจัง วัดผาอ่างระหว่างที่ออกหาของป่านะคะหลังจากที่เจอก็ได้จับตัวเอามาเก็บไว้ที่บ้านไม่นานช้างน้ําตัวดังกล่าวก็ตายลงศพโอกาสก็ได้พบพระธุดงรูปดังกล่าวจึงได้ถวายเพื่อเป็นสิริมงคลค่ะโดยหลังจากที่ได้รับซากช้างน้ํามาแล้วพระธุดงรูปนั้นก็ได้เล่าถึงอภินิหารของช้างน้ําว่าเป็นสัตว์พิเศษไม่เหมือนช้างธรรมดามีอํานาจเหนือสัตว์อื่นในป่า หลังจากที่ท่านนำมาพกติดตัวระหว่างทุดงปรากฏว่าซากช้างน้ำดังกล่าวสามารถป้องกันสัตว์ร้ายนานาชนิดไม่ว่าจะเป็นเสือสิงห์หรือว่าจะเป็นช้างใหญ่งูพิษและทำให้พูดผีวิญญาณไม่กล้าเข้าใกล้อีกด้วยทำให้การทุดงครั้งนั้นเป็นไปได้อย่างราบรื่นนอกจากนั้นนะคะช้างน้ำยังให้คุณในเรื่องโชคลาภแล้วก็นาความเป็นสิริมงคลมาสู่ตนเองรวมทั้งผู้ใกล้ชิดด้วยค่ะ พระธุดงค์รูปนี้ยังเล่าต่อนะคะว่าเคยมีโอกาสเห็นช้างน้ํามาก่อนในปีพศ2550ซึ่งช้างน้ําที่เห็นก็มีลักษณะเดียวกันกับช้างน้ําที่ได้รับจากชาวกเกาหลีครั้งนี้โดยครั้งนั้นพบที่ชายแดนจังหวัดเมียวดีตรงข้ามที่อําเภอแม่สอดจังหวัดตากในขณะนั้นก็มีชาวบ้านนํามาให้ดูภายหลังทราบข่าวว่าช้างน้ําเชืออนั้นได้ถูกนําไปถวายให้กับเจ้าอาวาสวัดเมี่ยงจีงูเพื่อให้เป็นเครื่องรางของ ข, องขลังประจําวัด ให้ผู้ที่ผ่านไปมามีโอกาสได้มากราบสักการะภายหลังก็มีผู้คนจำนวนไม่น้อยที่เข้ามาขอพรและได้รับพรตามประสงค์ค่ะนอกจากนั้นนะคะยังมีนเรื่องราวอภินิหารของช้างน้ำออกมาอีกโดยครั้งนี้ค่ะผู้ครอบครองเป็นเจ้าของร้านอาหาร p a r าได s ์ถนนสายแม่สอดแม่ระมาตํตำบลแม่ปะอำเภอแม่สอดจังหวัดตากชื่อนายอดีเรกเสียงแทนนะคะ เขาเล่านะคะว่าเมื่อได้ช้างน้ํามาจากสถานที่แห่งหนึ่งผู้ที่นํามาให้เป็นชาวพมา่าที่อาศัยอยู่ในแถบชายแดนไทยพม่าค่ะโดยครั้งแรกที่เห็นก็ตกใจเพราะว่ามันยังมีชีวิตอยู่คือไม่รู้ว่าเป็นสัตว์อะไรเพราะว่าดูแล้วทุกอย่างเหมือนช้างหมดเพียงแต่ว่าขนาดเล็กกว่าเท่านั้นเองหลังจากนําช้างน้ํามาเลี้ยงได้เพียง7็วันก็ตายก็เลยเหลือแต่ซากแห้งอย่างที่เห็นแล้วเขาก็ได้กล่าวย้ําอีกค่ะคุณผู้ฟังว่า ผมมีความเชื่อว่าสัตว์ประหลาดที่ได้เห็นเป็นช้างน้ำจริงๆโดยเมื่อดูจากรูปร่างแล้วเหมือนช้างทุกอย่างทั้งขนทั้งหางทั้งงามีตามีงวงและเมื่อตอนที่มีชีวิตอยู่ร้องเสียงเหมือนช้างอีกด้วยแม้ว่าแต่เดิมก็ไม่เชื่อว่าโลกนี้มีช้างน้ำจริงเป็นเพียงคำบอกเล่าและก็คิดว่าเป็นแค่เรื่องที่ถูกแต่งขึ้นในตำนานเท่านั้นแต่เมื่อไปเห็นกับตาก็เลยเชื่อว่ามีอยู่จริง คุณผู้ฟังคะหลังจากนั้นไม่นานก็เลยมีการนำซากช้างน้ำไปพิสูจน์โดยการเอ็กซเรย์ที่โรงพยาบาลพวอค่ะผลออกมาพบว่ามีลักษณะของกระดูกเหมือนช้างเป็นอย่างมากแต่ว่ามีขนาดเล็กกว่าเท่านั้นค่ะนั่นก็ทำให้แพทย์ที่อยู่ในเหตุการณ์ต่างตกใจกันทั่วจนทำให้ข่าวนั้นแพร่สะพัดมีชาวบ้านมากกว่า100คนมามุงดูซากช้างน้าดังกล่าวซึ่งหลายคนนะคะถึงกับขอซื้อด้วยราคาที่สูงลิว่วเพื่อจะได้นาไป แล้วก็ในขณะนั้นการเอ็กซเรย์ถือว่าเป็นเพียงการทดสอบเบื้องต้นเท่านั้นค่ะซึ่งต้องรอผู้เชี่ยวชาญทางสัตวแพทย์มาตรวจสอบให้แน่ชัดอีกครั้งระหว่างนั้นก็ได้มีคำแนะนำจากนายสละช่วยนูนะคะเป็นควานช้างมากประสบการณ์จากหมู่บ้านปูเตอร์ตำบลแม่กูอำเภอแม่สอดจังหวัดตากค่ะว่า ในวัยเด็กนั้นเขาเองเคยได้ยินเรื่องของช้างน้ำจากผู้ที่เป็นพ่อมาก่อนโดยเล่านะคะว่าหากช้างน้ำจริงถ้าถือไว้ในมือช้างป่าจะพากันกลัวแม้แต่ช้างตกมันก็ยังต้องวิ่งหนีนอกจากนั้นหากว่าลองเอาช้างน้ำใส่ในขอนไม้แล้วให้ช้างธรรมดาลองข้ามดูหากว่าช้างข้ามขอนไม้ได้แสดงว่าเป็นช้างน้าปลอมหากว่าเป็นช้างน้าจริงนะคะย่อมจะไม่มีช้างเชือกใดกล้าข้าม ช้างน้ำหรือที่เรียกว่าวารีกุชนชรค่ะเป็นหนึ่งในสัตว์หิมพันธุ์ที่หลายคนคิดว่าเป็นเพียงแค่จินตนาการนะคะแต่เมื่อปรากฏขึ้นมาบนโลกแห่งความจริงก็เลยกลายเป็นจุดเริ่มต้นทำให้คนเชื่อว่าป่าหิมพันธ์นั้นมีจริงค่ะโดยมีผู้คนจำนวนมากที่ออกสืบสาะแล้วก็หาช้างอภินิหารพวกนี้ ส่วนใหญ่นะคะก็มุ่งไปที่ป่ากรุงชิงค่ะเพราะเชื่อในคำบอกเล่าของขุนพันแต่พวกเขาได้เตรียมใจที่จ ะ, ะเผชิญอาถรรพ์แห่งป่าที่รออยู่ข้างหน้าแล้วหรือยัง ส่วนเรื่องราวที่บอกว่าผีบางตาในป่ากรุงชิงนะคะก็จะเป็นเรื่องของวัยรุ่นเมืองนครศรีธรรมราชค่ะก็พากันควงปืนลูกซองเข้าไปยิงสัตว์ป่าในกรุงชิงบริเวณเหนืออ่างเก็บน้ําหลังจากนั้นก็แยกย้ายกันซุ่มรอเหยื่อเข้าใจผิดนะคะเห็นเงาตะคุ่มตะคุ่มของเพื่อนเป็นหมูป่าก็เลยส่องด้วยปืนลูกซองดับสยองก่อนจะพาร่างโชคเลือดของเพื่อนซ้อนท้ายรถจกักรยานยนต์ส่งโรงพยาบาลแต่ว่าก็ทนพิษบาดแผลไม่ หวเสียชีวิตก่อนนะคะซึ่งชาวบ้านในแถบนั้นก็เชื่อค่ะว่าเป็นผีป่าที่กรุงชิงบังตาจนทำให้ต้องยิงกันเองนั่นเองค่ะซึ่งจากการสอบสวนนะคะก็ทราบว่าก่อนเกิดเหตุเนี่นายสุริยันพร้อมกับผู้ตายแล้วก็เพื่อนอีก 2-3 สาคนชักชวนกันไปล่าสัตว์ป่าที่บริเวณเหนืออ่างเก็บน้ำที่ตำบลกรุงชิงกิ่งอาเภอนปิตมนะคะโดยทั้งผู้ตายแล้วก็เพื่อนแยกย้ายกันไปซ่อนตัวตามพุ่มไม้ และในขณะที่ผู้ตายกําลังซ่อนตัวรอสัตว์อยู่ที่พุ่มไม้ก็เกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดขึ้นคือเพื่อนที่ไปด้วยกันนี่เห็นเป็นเงาตะคุ่มตะคุ่มเหมือนกับหมูป่าค่ะก็เลยใช้อาวุธปืนลูกซองยาวยิงใส่ทันที1 น, นัดก่อนที่คนยิงจะเข้าไปดูแล้วก็พบร่างของนายสุรยันถูกยิงบาดเจ็บสาหัสแล้วจากนั้นนะคะก็เพื่อนที่ไปด้วยกันนะคะได้นำร่างของนายสุรยันนั่งซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์เข้าไปในหมู่บ้านแต่ด้วยอาการที่ถูกยิงมาสา แล้วนะคะก็เลยทําให้นายสุริยันทนพิษบาดแผลไม่ไหวก็เลยเสียชีวิตไปในที่สุดอย่างไรก็ตามนะคะจากเหตุการณ์ในลักษณะนี้ชาวบ้านที่อยู่ในหมู่บ้านต่างก็วิพากษ์วิจารณ์กันค่ะว่าคนที่ยิงนายสุริยันเนี่ยถูกผีป่าบังตาทําให้เห็นนายสุริยันเป็นสัตว์นะคะก็เลยใช้อาวุธปืนยิงเข้าใส่ซึ่งเหตุการณ์ลักษณะนี้เกิดขึ้นบ่อยครั้งหากเข้าป่าไปล่าสัตว์แล้วไม่มีการบวงสรวงขอขมาเจ้าที่เจ้า ท, า, ทางซึ่งทางเจ้าหน้าที่ก็ ติดตามมือปืนที่ยิงนายสุริยันมาดําเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะคะแล้วก็ชนะสูตรพลิกศพแล้วก็เลยส่งมอบให้กับญาติพี่น้องเพื่อไปบําเพ็ญกุศลตามประเพณีต่อไปนั่นเองค่ะและนี่ก็คือเรื่องราวอาถรรพ์เกี่ยวกับวารีกุณชรหรือว่าช้างน้ําในป่ากรุงชิงแล้วก็เรื่องของผีบังตาที่ทําให้เห็นเพื่อนที่เข้าไปในป่าด้วยกันเป็นสัตว์ก็เลยทําให้ถูกยิงจนเสียชีวิตนะคะ